ข้อจากนี้ไปเป็นการแสดงถ้ำกรฉันเรื่องซับแท่ของมนุษย์โดยพ่อท่านพธิรักเมื่อวันที่20เมษายน2534นพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้แล้วค่ะ เรื่องของรั์แท้ของมนุษย์นี่โดยสรุปนะให้ฟังอีกอาตมาได้พยายามวิเคราะห์วิจัยให้เห็นแล้วก็เอาคำตรัสของพระพุทธเจ้ามายืนยันให้พวกเราได้ฟังได้ชัดเจนกันว่ามนุษย์นี่นะมีอะไรเป็นซับนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่ารั์ของมนุษย์นั้นคือศรัทธาศีล หิริโอตปะสุตะจากขะปัญญาเนี่นะจ็ดตัวนี้เราจำง่ายง่ายทรัพย์ของมนุษย์ที่จริง อ, อ่ะถ้าเผื่อว่าจะเอาแท้แท้โดยตัวแท้แล้วก็ศรัทธาศีลจากขะปัญญาสีอันเนี่ยเป็นประโยชน์แท้ของความเป็นคนเกิดมาเป็นคนนี่มาเอาอันนี้เป็นประโยชน์ในส่วนตัวส่วนตนเกิดมาเป็นคนเนี่ย มาอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนตนมีประโยชน์ในการได้เชื่อศรัทธาได้เชื่อความเชื่อนี่ลึกซึ้งเป็นจิตปัญญาเป็นตัวตัวจิตปัญญาของคนนะ่ะจะเกิดเชื่อแค่เชื่อธรรมดาเชื่อตื้นต้นเชื่อสูงขึ้นจนปฏิบัติตามอัตมาแบ่งภาษาเชื่อไว้สาภาษาไทยภาษาบาลีท่านก็บแบ่งศรัทธาสัทธินซีศรัทธาพระ ศัทธาผลท่านก็แบ่งเป็นสามเปนกันศรัทธาสัจตินรีศรัทธา ผ, ผลหรือศัทธาภระเนี่ยเหมือนกันเนะ่ยท่านก็แบ่งเป็นสามอัตมาแบ่งเป็นศรัทธานี่คือความเชื่อเชื่อถือเราฟังด้วยเหตุ idas, ด้วยผลด้วยท่าทีด้วยองค์ประกอบอะไรแล้วก็เห็นว่าเออหน้าเชื่อถือแต่ความเชื่อนั้นไม่แรงพอที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงตนเองบางทีเรายังไม่เป็นตามที่เชื่อเราเชื่อนะแต่เราไม่เป็นไม่เป็นด้วยอย่างเนี้ย ยังไม่ทําตามแต่ดีเชื่อดีดีดีไหมดีจะทําไมไม่ทําตามยังยังยังนี่เรียกว่าเชื่อระดับแรกศรัทธาเชื่อระดับแรกเชื่อถือเชื่ออกินมื้อเดียวดีไหมดีดีดีแต่ไม่กินตามไม่กินเนื้อสัตว์ดีไหมดีดีดีนี่ไม่โลโมโดสันนี่ไม่เอาเปรียบเขาดีไหมดีแต่ยังเอาเปรียบอยู่ยังยังเอาเปรียบอยู่ ไม่เอาเปรียบเขาดีไหมดีไม่เอาเปรียบดีแน่ดีแต่ยังเอาเปรียบเขาอยู่ยังไม่ทําตามหรอกนะยังไม่ฝึกฝนตนเพื่อจะทําตามนี่ระดับศรัทธาตัวแรกศรัทธาตัวที่สองนั่นคือสัจทินสีมีกําลังของศรัทธาสูงขึ้นมีภาวะมีริดแรงมีความความเป็นจริงโดยความหมายก็อธิบายได้อัตมาที่อธิบายอยู่นี้เป็นความหมายนะความหมายสูงขึ้นลึกซึ้งขึ้นอัตมาใช้ภาษาไทยว่า เชื่อฟังตัวแรกเชื่อถือตัวที่สองเชื่อฟังแปลสัตทินีว่าเชื่อฟังเชื่อฟังนี่ทำตามนะคนเราในเชื่อฟังแล้วทําตามภาษาไทยเราเข้าใจดีใช่ไหมเชื่อถือมันก็แค่นั้นแหละก็เชื่อเชื่อถือเชื่อเชื่อเชื่อถือแต่ยังไม่ถึงขั้นเชื่อฟังยังไม่ถึงขั้นทําตามแต่พอถึงขั้นเชื่อฟังนี่จะมีกําลังของความเชื่อนี่สูงขึ้นเอ้มันดีนะ เราเชื่อว่าดีนะต้องเอาด้วยเอาเอาด้วยฝึกขัดอบรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยหนักหนาจะลำบากก็ต้องฝึกอบรมเอาทีละระดับของศาสนาพุทธเรามีลำดับขั้นอ่าเอามาทําตามให้ได้เหมาะสมกับตัวเองยากเกินไปสูงเกินไปพุทธที่เดียวจะเอาสุดยอดเลยมันไม่ได้เราต้องแบ่งทําตามอินทรีย์พระตามกําลังของเราแล้วเราก็ทําตามเริ่มต้นทําตามนี่แหละเราชื่อว่าตั้งกดตั้งหลักที่จะทําตามให้แก่ตนอย่างเหมาะสม เรียกว่าสมาทานศีลสมาทานหลักเกณฑ์แล้วลงมือทำตามเรียกว่าปฏิบัติศีลเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดผลได้กายวาจาก็จะได้เกิดการสํารวมระวังอบรมตนให้เป็นไ ป, น ป, นปนตามศีลที่เราตั้งทำให้ได้แล้วมันจะขัดเกาวกายวาจาโดยเฉพาะขัดเกาขัดเกาใจด้วยศีล น, นี่ถึงใจถึงจิตทุกวันนี้ศาสนาพุทธสอนเพี้ยนสอ น, นว่า ศีลอบรมกายวาจาเท่านั้นสอบตกพระพุทธเจ้าค้านแย่งกับคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยศีลผู้ปฏิบัติศีลได้ผลนะเป็นหมายความว่าเป็นกุศลปฏิบัติศีลได้ผลเนี่ยือปฏิบัติศีลเป็นกุศลจะมีผลเป็นอรหันต์ตามลําดับแล้วอรหันต์มันได้แก่กายวาจาที่ไหนแล้ว อรหานนี่มัขัดเกลา จ, จิตใจมีพฤติกรรมทางกายวาจาด้วยแล้ขัดเกลาถึงจิตใจแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นสุดท้ายก็ถึงอุปโตภวผ้าเขาวมุติถอนอนุสาะวะสวรศีลเนี่ยถึงนิพพานศีลก็ก็ส่วนก็ท่องกันอยนู่ในสีเลนนี่พุทธิญจัญติศีลจะเป็นพาหันําพาไปสู่นิพพานก็ส่วนกันอยู่นี่ให้ศีลเมื่อไหร่อ่ะพอให้ศีลเสร็จสุ ร, ราเมระยะมชประมาณท่านาเวรมนอยอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ สีเลนะสุขติงยันติสี่เลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลจะเป็นพาหะนําไปสู่นิพพานสีเลนะนิพุติงยันติก็พูดกันอยู่งั้นแต่ก็บอกว่าศีลนี่ขัดเกาแค่กายวาจาเห็นไหมพูดแล้วเพียรไปหมดแล้วทำเมาวินัยวิปริตหมดแล้วมันคานแยงกันเองตัวเองก็พูดเองสอนเองขัดแยงกันเองอยู่เงี้ยมันวิปริตมันไม่ตรงมันไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องคําสอน ศีลนี่จะพาไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นขัดเกลากายวาจาและต้องขัดเกล้าถึงจิตเป็นอัธิจิตหรือเป็นสมาธิขัดเกลาได้จริงไปเรื่อยๆก็แข็งแรงตั้งมัน่นจิตเป็นตัวประธา น, นมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยาจิตเป็นประธานเพราะให้กายเป็นยังไงก็จิตเป็นประธานให้วัจจีเป็นยังไงก็จิตเป็นประธานเมื่อจิตเป็นแข็งแรงตั้งมัน่นมีความเป็นจริงได้มันก็สามารถที่จะให้กายวาจาของเราง่าย ถ้าใจยังไม่เป็นฝืน อ, อยู่นั่นแหละฝืนเนี่ยมันก็ขัดขัดกับจิตเราถ้าจิตเราเห็นด้วยปัญญาแล้วก็มีอินทรีย์พระอาะทิแข็งแรงจริงเลยนะมีกําลังกําลังแห่งความจริงกําลังแห่งศรัทธากําลังแห่งปัญญาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งบรรลุจนกระทั่งตัดกิเลสได้จริงๆละกิเลสได้สมบูรณ์แล้วมีปัญญาอ่านเห็นชัดเจนด้วย ศรัทธานั่นก็เป็นศรัทธาผลหรือศรัทธาพระเป็นกําลังที่เต็มพระนี่แปลว่ากําลังศรัทธาพระหรือเป็นความเชื่อสมบูรณ์มันสมบูรณ์ตรงที่มันทําได้และมันก็เป็นความเจริญเป็นความดีงามเป็นกุศลเป็นบุญเป็นสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ทําได้อย่างแคล้วคล่องไม่มีฝืนเพราะกิเลสมันเป็นตัวฝืนกิเลนี่เป็นตัวต้านตัวฝืนฆ่ากิเลสตายไม่มีอะไรมาฝืนมาต้าน คล่องง่ายเบาสบายว่างโล่ลงโปร่งไม่มีอะไรต้านเพราะกิเลสมันไม่มาต้านมันจะเป็นความว่างๆเบาๆ ง, ง, ง, ง, ง่ายๆสะดวกนั่นแหละเป็นกำลังก็มันไม่มีอะไรต้านมันก็ไปกำลังเต็มสิจะทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่มีอะไรต้านอะไรหกักหลบลบนี่เลยมันก็เต็มสมบูรณ์ไม่มีร s สิสแตนมางั้นเถอะมันก็สมบูรณ์เลยครบครันเพราะศรัทธาพระรานี่แหละคือตัว เห็นจริงเห็นจังแลยแล้วก็เชื่อมั่นอาตมาแปลเป็นภาษาภาษาไทยว่าเชื่อมั่นนะศรัทธาเชื่อถือพอสัตทินรียก็เชื่อฟังปฏิบัติอบรมตามจนได้ผลพอได้ผลจนสมบูรณ์ก็เป็นศรัทธาพระก็เชื่อมั่นเราจะเชื่อมั่นมาเรื่อยเห็นผลมาเรื่อยๆจนเห็นผลค่อยๆผลค่อยๆโตค่อยๆจริงก็อยชัดค่อยๆเต็มจนกระทั่งมีผลเต็มสมบูรณ์มีปัญญาเห็นร่วมร่วมหรือศรัทธาต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ได้ เห็นสมบูรณ์แล้วมันก็เห็นเองเห็นของจริงเองเป็นยานทศนะหรือปัญญินรียหรือปัญญาที่ชัดปัญินรีปัญญาผลเหมือนกันน่ยปัญญาพละกําลังของปัญญาเต็มเราจะได้ศีลนั้นปฏิบัติแล้วได้ผลศีลนั้นเป็นตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นมีศีลนี่จนกระทั่งเป็นธรรมดาเป็นปกติเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวศีลยิงแปลว่าปกติปกติที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เราจะเอามาทำนี่ทำได้แล้ว <pouch. S 2> wheels, ทำโดยไม่ต <least. S 1> ้องฝืนต <tr> ้องฝืนทำโดยไม่ต้องลําบากลาบนทําด้วยเป็นเป็นเป็นตัวเองเลยเป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวเป็นอย่างเงี้ยไม่ข่าสัตว์เป็นอัตโนมัติไม่ลักทรัพย์เป็นอัตโนมัติไม่มีเจตนาจะไปลักทรัพย์ใครถ้าจะไปเอาของเขามาก็โดยไม่เจตนานะเอาของคุณเลืมมันเอามาเนี่ยไม่เจตนาจริงๆแต่ก็มันไม่ไร้สติจนเกินการเนาะมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องการขโมยของใครไม่ต้องการเอาของใคร ไม่ไปร่มโมทสันอย่างนั้นจริงๆไม่อมหิตโธร้ายจนจะต้องไปฆ่าสัตว์นั้นตายไม่ได้เจตนาถ้ามันจะตายเพราะเราก็ไม่ได้แกล้งไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาอย่างนั้นจริงๆนะไม่ฆ่าใครไม่โอ้มหิตโธร้ายไม่เบียดเบียนใครยิ่งมีรายละเอียดนี้ไม่เบียดเบียนใครด้วยต้องมีศีลศรัทธาไม่มีศีลไม่ได้เอาศีลของพพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องวัดเลยว่าพระพุทธเจ้าให้เว้นขาดอย่างนี้อย่าง ปุตุชนนี่มันไม่รู้ว่ามันไม่เลิกมาไม่ละไม่เว้นไม่ขาดออกมามันไม่เป็นอย่างโลกโลกเลิกกัมเลิกอย่างพฤติกรรมปุตุชนพฤติกรรมมนุษย์โลกที่มันไม่ดีไม่งามเลิกมาศีลใดที่บอกว่าให้ละเว้นเว้นมาจนได้เป็นปกติศีลใดที่ส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นเดีวยวว่าอภิสมาจารย์ก็ทําให้ยิ่งขึ้นแข็งแรงมันคงจะกระทั่งละเอียดละ อ, อวิจิตพิสดารขึ้นไปได้เลย เรามีศ <unlucky. S 2> ีลเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมมีศรัทธาต้องมีศีลประกอบศรัทธาด้ยเชื่อเชื่อเชื่อไปมีหลักเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยก็เชื่อกันทั้งนั้นแหละเชื่อไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์อันที่เป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงสุจริตทุจริตที่แท้จริงบาปบุญที่แท้จริงดีไม่ดีที่แท้จริงตามสัจจะไอ้ดีชั่วเนี่เราก็เรียกเป็นสมมุติที่สัจจะสมมุติแปลว่าการรู้ร่วมกันทั่วสมมุตินี่แปลว่ารู้ร่วมกันทั่ว คนธรรมดารู้ร่วมกันหมดแหละอันไหนดีอันไหนชั่วมีปัญญาที่ฉลาดพอสมควรรู้นอกจากคนที่โง่รู้ผิดลงผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นผิดเป็นถูกกลับกันในก็เรื่องของคนที่เข้าใจผิดก็เป็นไปได้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะรางคนที่รู้ถูกต้องก็คือสมมุติที่รู้กันพร้อมกันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งในโลกต้องอาศัยสัจจะสมมุติอย่างนี้ดีชั่วและก็ต้องทําดี สัจจะของพระพุทธเจ้านะั้นน่ะพู้ที่เป็นดีได้แล้วยังไม่ได้ดียึดดีก่อนแล้วปฏิบัติดีให้ได้เมื่อปฏิบัติดีได้แล้วไม่ต้องยึดมันได้แล้วมันก็เป็นเองอันนี้แหละภาษาสำนวนเรียกว่าไม่ยึดดียึดชั่วไม่ยึดเพราะมันได้แล้วไม่ยึดมันก็เป็นอยู่ในตัวเราแล้วชั่วสิมันทิ้งไปแล้วมันเลิกไปแล้วจนจะพยายามเป็นชั่วยังเป็นไม่ค่อยเป็นเลยทําไม่ค่อยลงเลยทํายากแต่ดีอ่ะ ไม่ต้องพยายามมันก็เป็นแล้วมันก็เป็นง่ายๆเพราะมันเป็นอยู่ที่ตัวเราและเราก็ไม่ได้ยึดมันแล้วแต่มันมีอยู่ในตัวเรามันเป็ น, ป น, ม, ปนมันเป็นศีลเป็นธรรมมันเป็นกุศลมันเป็นของดีอยู่ในตัวเราเองเลยแลวเราก็ไม่ได้หลงไหลในความดีของเราไม่ได้หลงไหลว่าเราดีเราทำดีได้ดีนี่แล้วเราก็ติดยึดตัจะต้องอยู่ที่นี่หละนีรันดอนดีจะต้องเป็นเราเป็นของเราไปอีกนี่รันดอนไม่ ทำใจเห็นว่ามันก็เป็นธรรมดาสิ่งที่ดีถ้าเรายังมีรูปนามขันธ์ห้าเราก็มีกรรมกริยาที่ดีอันนี้ถ้าตายแล้วเลิกกันปรินิพานดีนี้ก็ตายไปพร้อมกับขันธ์ห้าสำหรับเราเนะแต่มันก็อยู่ในโลกเรื่องของโลกใครจะเอาไปทําตามก็เรื่องของเขาแต่เราหมดกรรมกริยาของดีแล้วนี่เรียกว่าเราไม่หลงติดดีนี่เรียกว่าไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วแต่มีดีแน่ ทีนี้คนสอนลัดตัดความเนี่ยไม่ยึดชั่วไม่ยึดดีใครไปยึดชั่วยึดดีอปรีทั้งนั้นก็เลยไม่มีขั้นตอนเบื้องต้นทากลางบนปลายคนก็เลยไม่ไม่ได้ฝึกฝนเอาความดีเพราะกลัวจะไปยึดดีขนาดยึดมั่นถือมั่นดีแล้วปฏิบัติให้มันได้เป็นปกติให้มันได้อบรมฝึกฝนตนให้ได้เป็นอัตโนมัตินี่มันไม่ง่ายนะทำดีใช่ไหมมันไม่ง่ายนะและไม่ยึด พปท้อไม่เอาจริงเอาจังไงเลยล้มเหลวทั้งเพเลยนี่การสอนข้ามขั้นลัดตอนและการสอนโดยไม่รู้จักเบื้องต้นทำกลางบรรปลายองนี้อาตมาว่าอาตมาว่าหาว่าอาตมาไปว่าผู้สอนอย่างนี้อ้าวอาตมาเห็นจริงอย่างนี้เมื่อไม่เชื่ออาตมาก็ไปเชื่ออีกฝ่ายนึงก็ทำอย่างอีกฝ่ายหนึ่งสิจะมาทะเลาะบ่แหวนอาตมาทำไมอาตมาสอนผู้ที่เห็นตามอาตมาผู้ไม่เห็นตามอาตมาก็ไม่ต้องและอาตมาก็ไม่ได้ไปเกลียดไปโกรธคนที่สอนผิดเดนะก็บอกให้ทราบว่าสอนผิด อพราะามะมั่นใจว่านั้นสอนผิดอาตมาก็บอกเตือนว่าสอนให้มันถูกแต่เขาเชื่อว่าเขาสอนถูกเขามีสิทธิ์ว่าอาตมาบอกวอะ ไ, ได้สอนผิดไปสอนให้ปฏิบัติ ด, ดีก่อนชั่วเน่ยผิดอ้าวว่ามาเลยว่ามาสิก็เถียงอาตมามาอาตมาไม่ว่าอะไรนี่มีสิทธิ์ว่ากันความเชื่อไปบังคับกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วอาตมาก็ไม่โกลัหรอกก็ท่านเข้าใจอย่างนั้นอาตมาก็เข้าใจอย่างนี้คนละทางกันก็พิสูจน์กันไปสิ ใครไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนี้ไปชังคนนั้นก็เขาเองอาจะมาไม่โกรธใครรอกเขาดา่าจะมาก็เรื่องของเขาเขาว่าเราผิดก็เขาเข้าใจว่าเราผิดเราก็ฟังสิเหตุผลเขาก็บอกมาสินะไม่จะบอกผิดแล้วก็ไม่มีเหตุผลมาให้เลยบอกผิดไม่มีตาําราไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลแล้วว่าดา่าสาดเสียเทเสียสำนวนไทยเราบอกว่างั้นคือด่าไม่มีเหตุผลเลยด่าไม่ให้เหตุผลนี่ดา่าสาดเสียเทเสีย ด่ายังไม่คาปากตลาดนะด่าไปดือด้อนี่เองอ้าวแล้วมันผิดยังไงมันเสียยังไงไม่รู้กูด่าอย่างเดียวด่าว่าเร็วอย่างเดียวไม่รู้เร็วยังไงไม่รู้ด่าว่าเร็วอย่างเดียวมันเร็วก็แล้วกันไม่มีหลักฐานอ้างอิงไม่มีเหตุผลบอกกล่าวอะไรเลยไอ้นี่เลกว่าดา่าศาดเสียเทเสียถ้าดา่าศาดเสียเทเสียเราก็เทต่อแต่ไม่ต้องไปสาดใส่เขาหรอก เขาสาเสียเทเสียมาให้เราเราก็เทต่เอเทออกไปไม่ต้องไปก็มันไม่ได้ไม่ไมไมไมรู้จะทํำยังไงก็คุณไม่ให้เหตุผลไม่ให้หลักฐานไม่ให้อะไรมาเลยด่าลูกเดียวยว่าเสียเสียเสียเร็เวเๆ็วเลูกเดียวแล้วมันเร็วยังไงล่ะไม่รู้กูว่าเร็วก็แล้วกันหมดถ้าดา่าสาเสียเทเสียเราก็เลือกกันไม่พูดขึ้นต่อแต่ถ้าเขาด่ามามีเหตุมีผลมีหลักฐานน้างอิงมีอะไรแต่ลึกซึ้งซับซ้อนอู้ยดีดีเขาให้เหตุผลซับซ้อนให้เหตุผลหลอกลวงให้เหตุผลแฝง ไม่ใช่เหตุผลตรงมามีเลนเหลี่ยมเ ช, ชิงชั้นในการที่จะหาซับซ้อนมาแล้วก็ตรวจตราเอาตามความฉลาดของเราว่ะโอ้ันนี้เล่นเ ล, เล่นเหลี่ยมนะนี่ซับซ้อนเชิงชัน้นดูทีหนึ่งมันไม่เคยตรงล้อมันอุตสาแฝงเหตุผลแฝงนั่นแฝงนี่มาแล้วก็ฉลาดเข้าใจให้ได้ให้มันถูกตามความจริงกันแล้วกันเขาบอกมาถูกเราว่าผิดแล้วก็แล้วก็ซ ว, วยเองถ้าเขาบอกมาถูกเราเขาบอกมาแฝ ง, แงผิดมา แล้วเราก็จับผิดตั้นได้เราก็แก้ไขเราก็ไม่เชื่อตามเราก็ไม่เอาตามมันก็ไม่ความฉลาดของเราใครฉลาดจริงไม่ลำเอียงไม่ได้ไปนั่งตู่คนนั้นก็ได้นะ เพราะศรัทธาต้องมีศีลอย่างนี้จริงๆและคนเราเกิดมาเพื่อได้ศรัทธาอย่างนี้และเพื่อได้ตามศีลโดยเฉพาะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็เอาศีลเอาหลักเกณฑ์ในพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าทำอย่างนี้นี่เป็นบาปสมาจารย์จงทําอย่างนี้นี่เป็นอภิสมาจารย์ทำให้ยิ่งๆย่งๆอย่างนี้เป็นบาปสมาจารย์อย่าทําทําตามพระพุทธเจ้าสอนตามฐานะที่เราทําได้แต่ละขั้นแต่ละตอนมันมีอัติศีลมีอธิอธิอัติขึ้นไปเรื่อยๆดึกซึ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ยากตามลําดับ ทำให้มันถูกต้องขั้นตอนแล้วเราก็ได้เป็นศรัทธาเกิดมามีศรัทธาเกิดมามีศีลเราเชื่อมั่นด้วยปัญญาว่าการเกิดมาเป็นคนนี่เกิดมาเพื่อจากะเกิดมาเพื่อสละจะเป็นคนมีประโยชน์มีคุณค่าคุณฟังอาตมาไปด้วยความมีปัญญาเท่าไหร่คุณฟังดูจริงไหม ถ้าจริงเราก็มาอบรมตัวนี้เป็นคนมีจาขะมีการสละออกสละออกตั้งแต่ทรัพย์สริงคารวัตถุสมบัติหยาบหยาบไอของที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะสะสมเอาออกก่อนอันไหนที่สูงขึ้นไปก็จังต้องอาศัยอยู่ก็อาศัยไปก่อนพอตอนหลังมาเรารู้สึกว่าเราเออไอ น, นี้ก็ทิ้งได้อีกแล้วสละได้อีกแล้วบริจาคได้อีกแล้วน้อมีน้อยลงน้อยลงมักน้อยสนุนลงไปเรื่อยๆน้อยลงได้เท่าไหร่ก็อยู่ได้น้อยลงเท่าไหร่ก็อยู่ได้อยู่ได้แล้วมันมีระบบของมันนะ คนที่ยิ่งสละคนยิ่งเคารพนับถือคนยิ่งจะมาเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่อไฟายไว้ทำไมบริษัทพอเทคตึงก็ดีบริษัทร่วมกตันยูก็ดีเ อ, อ๊สมาคมที่นรามาไปเรียกบริษัทศนิสมาคมปอเทคตึงสมาคมร่วมกตันยูอะมูลนิธิเหรอเออมูลนิธิมูลนิธิพอเทคตึงมูล น, ล น, ลนิร่วมกรตันยูอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำไมมีคนไปบริจาค เพราะเขามีตัวปฏิบัติการที่เสียสละจริงๆนะทำงานคนก็โอ้ยต้องใช้จ่ายเอาเงินมาให้มาให้ใช้จ่ายเนี่ยทั้งๆ ท, ที่คนมาทำงานมีเป็นรายได้เงินเดือนด้วยเหมือนกันนะมีบางคนได้ส่วนสัตว์ที่ได้บางคนที่ไม่เอาจริงๆก็เสียสละซ้อนก็ดีละคนที่มาทำงานโดยฟรีเลยให้แก่สมาคมให้แก่มูลนิธิส่วนคนที่จะต้องค่าใช้จ่ายรายไ ด, ได้บ้างก็มีไปตามควร เขาก็ทํางานกับจริงจังคนเขารู้อยู่เขาก็เอามาให้โอ้นี่ต้องใช้ขาใช้จ่ายนนท์นี่ขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาน้ํามันรถขาดคนจะต้องกินต้องใช้ขาเวลาเอาไปคนเกิดเดือดร้อนนอนนี่ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารการกินซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้ออันอนอยนี่ไปใช้ไปจ่ายก็ เ, เห็นค่าใช้จ่ายเขาก็เอามาทําบุญมาบริจาคให้เขาก็เห็นจริงเห็นจังชั้นเดียวกันของพวกเรานี่นะ ชาวโซรอนี้อาตมาบอกว่าจะต้องอยู่ด้วยระบบบริจาคแม้จะเป็นกองบุญกองทุนอะไรขึ้นมานี่ก็เป็นระบบที่บริจาคแม้จะขายได้ต่ํากว่าบริษัทมันไม่เป็นสมาคมไม่มวยมูลนิธิก็ตามจะมีบริษัทจะมีกองบุญนิยมเนี่ยกองบุญนิยมนี่จะเป็นกองที่จะมาหนุนเนื่องหนุนเนื่องถ้าคุณเองคุณมีรูปแบบหรือมีพฤติกรรมมีปฏิบัติการที่เกื้อกูลต่อประชาชนจริงๆเล ย, เ, ลยเห็นชัดๆเลยว่านี่ขายต่ํากว่าทุนจริงๆนะขายต่ํากว่าทุนจริงๆนะ ประชาชนดูแล้วเห็นจริงไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเลยซื้อสัตว์สุจริตแล้วอยู่ได้ยังไงอยู่ได้เพราะคนบริจาคเงินมาหมุนเวียนเพราะคนมีเงินมากเอามาหมุนเวียนทดแทนไม่สิแล้วคุณก็มาซื้อมาหากันไปคนอื่นที่ยากจนก็ก็จะได้มาไปด้วยคุณก็ได้บริจาคไปหาคนยากจนเพราะบริษัทนี้เป็นตัวกลางร้านขายนี่เป็นตัวกลางหาผลผลิตหาของอะไรมาอ้าวเป็นร้านที่จะแจกจ่ายเป็นตัวแจกจ่ายคนมาซื้อมาหาคนจนก็ได้มาซื้อมาหาถูก ราคาก็ถูกลงก็เฉลี่ยไปถึงมือคนจนได้เพราะขายไม่ได้รีดนาทาเร้นไม่ได้เอาเกินทุนไม่ได้เอาเกินทุนจริงๆถ้ายิ่งมีเงินมากถ้าเจ้าหน้าที่บริษัททำการอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีเงินในกองบุญยมมากก็สามารถจะขายขายต่ำกว่าทุนได้มากเพราะทฤษฎีของเราต่ากว่าทุนมากเท่าไหร่คือกาไรมากเท่านั้น ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เข้าใจจริงๆไม่ได้หลงสับสนโ ม, โมเมอะไรก็เราทําไมจะต้องไม่ทํากําไรให้กับบริษัทล่ะเราก็กำไรบริษัทก็กําไรการต่าก็ทุนคือกําไรเพราะถ้าท่านลดได้ก็กลดเรื่อยๆประโยชน์อยู่ที่ใครอ่ะประโยชน์คืออยู่ที่ใครประโยชน์ไกการจา่ายประโยชน์ที่ตนได้แล้วได้เสียสละแล้วประโยชน์ประชาชนอื่นก็ได้ด้วยได้รับการแจกจ่ายเจือจนันด้วยการมีของถูก มีของที่จะสะพัดไปถึงมือคนจนกระจายไปสู่มือคนทั่วท่วนคนร่ารวยก็ไม่มีปัญหาคุณก็ซื้อได้อยู่แล้วมันถูกอะคนจนก็ไม่มีปัญหาซื้อได้จริงๆเพราะไม่ใช่ระบบที่จะต้องยิ่งคนนิยมชมชอบยิ่งขึ้นราคาขูดรีดเอามาใส่กระเป๋าของยิ่งดีคุณค่ายิ่งแพงของยิ่งหายากยิ่งคิดแพงๆ น, นี่มันระบบทุนนิยมเขาก็ทําอยู่อย่างนั้นแต่บุญนิยมนี่จะเป็นอย่างนี้อ เพราะ ก, การที่จะมาบริจาคเข้าสู่กองบุญก็นายาคล้ายๆกันกับมูลนิธิกร่วมกตันยูมูลนิธิปรเจกติงอะไรเมื่อเห็นพฤติกรรมพวกนี้ชัดเจนขณะนี้พวกชาวอโศกเราจะเป็นผู้เห็นก่อนแล้วก็จะทําบุญทําทานบริจาคเอาไว้ก่อนศีลนี่ก็เพื่อมาให้เราเสียสละขัดเกลา้าความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ รู้บุญที่แท้รู้กุศลที่แท้รู้คุณค่าที่มาได้ได้อะไรได้ที่เสียสละได้สิ่งที่เสียได้อะไรได้เสียได้สิ่งที่เสียนี่แหละสิ่งที่เสียไปสละไปนี่แหละคือสิ่งที่ได้ของคนของมนุษยชาติฟังให้ดีคิดให้ดีเห็นความจริงให้ดีไม่ใช่ตักกศาสร์ไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นเรื่องสัจจะอาตมาขอยืนยันว่าสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติศีลก็เพื่อให้เกิดจาระ ปัญญาจะอยู่ในหมดทั้งนั้นแหละจำสี่ตัวไว้ไง่ายๆก่อนซับแทหรือสัมปารายิกงตประโยชน์สศรัทธาศีลจาระปัญญาให้ถึงศรัทธาสัมปธาศีลสัมปธาจาระสัมปทาปัญญาสัมปธาให้เข้าถึงซึ่งศีลศรัทธาทศีลจาระปัญญานี้เข้าถึงความเป็นจริงตัวเราเป็นคนอย่างนั้นจริงมีความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมัน่น เชื่อจริงๆแล้วก็มีศีลอย่างที่อธิบายไปตอนมึกต้นนี้แล้วเกิดศีลในตัวเราเลยนะได้ขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาวความโลภโกรธหลงออกไปจริงๆความเป็นจริงของผู้นี้จริงจะมีพฤติกรรมมีความเต็มใจที่จะจาคะเสียสละเพราะปัญญาเห็นแท้ไม่ได้ถูกหลอกลวงมันเข้าใจแจ้งชัดมันเห็นจริงเออนี่เป็นความจริงที่ไม่ไม่มีบิดพรวไม่มีแปรปลวนเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เป็นสัจจะ หนึ่งแน่หนึ่งแน่แท่เทียงเป็นสัจจะหนึ่งแน่แท้เทีย ง, งทําอย่างนั้นคนนั้นก็เต็มใจทําแล้วก็มีระบบของสังคมนะมีหมู่กลุ่มมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีระบบมีวัฒนธรรมมีจารีตมีประเพณีมีพฤติกรรมของมันอยู่มีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมของมันอยู่ครบสมบูรณ์เลยเป็นสังคมกลุ่มอย่างนี้จริงๆนี่สังคมชาวโสเราทําขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะเราสร้างทรัพย์ที่มนุษย์เกิดมาแต่ละคนแต่ละคนให้เกิดสิ่งที่ควรได้เป็นสมบัติติดตัวแม้ปัจจุบันนี้อาตมาพยายามพิสูจน์ปัจจุบันนี้ไม่ต้องกล่าวล่วงไปจนกระทั้ ง, งตายแล้วซัพย์นี้จะติดตัวคุณไปในต้องกล่าวถึงป่านนั้นก็ได้แต่กล่าวพอขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นบ้างก็ได้ว่าทรัพย์ที่คนเราเป็นหลงเป็นวัตถุลาบยศหรือเป็นความโกงความเอาเปรียบ คุณก็ได้อันนั้นแหละตายแลวคุณก็ได้อันนั้นเพราะคุณมีพฤติกรรมอั น, นั้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่ากรรมบิบากกรรมสกตากรรมนี่เป็นตัวจริงคนจะได้กรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็คือกรรมคุณกระทำการโลภคุณก็ได้กรรมมันเป็นความโลภติดบิบากของคุณไป คุณเอาคุณทำกรรมมันเสียสละลดความโลภให้ได้คุณก็มีวิบากอันเป็นการเสียสละจิตวิญญาคุณทำได้มากหรือได้น้อยก็อันนั้นะได้แต่แต่คุณมีการปฏิบัติประพฤติอยู่ในโลกนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ได้ตายไปก็ได้ตั้งแต่เป็นเป็นนี่แหละทํทำเป็นเป็นนี่ได้ตายไปก็ได้อันนี้สัมปรายก็จะประโยชน์หมคำว่าเรามาอ่านมามาเข้าใจกันที่ท่านแปลว่าจะได้เป็นไปได้ในโลกหน้า โลกหน้าหมเขาบอกตายไปแล้วเขาไปสู่โลกหน้าไอ้แบบนั้นอธิบายกันไม่ได้เรื่องกว่าจะไปมีศีลได้ก็ต้องไปตายแล้วค่อยไปได้ศีลอ้าวแล้วไปยังไงเราปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เราไปได้ศีลอาก็ข่าวหน้านุนแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้เรื่องอ่เดี๋ยวนี้โลภไว้ตายไปแล้วค่อยไปบริจาคอ้าวเราไปเข้าถึงบริจาคกันเมื่อไหร่เราตายกัตายแล้วไม่ต้องบริจาคเขาก็อ้าวอาตมาบอกแล้วแม้แต่เขียนพินัยกรรมมันยังไม่ใช่บุญเลย พินัยกรรมน่มันคือตัวจำนวนของคนนั้นน่ะมันคือใบจำนวนไม่กล้าให้อัวยังไม่ตายหรือจะพึ่งเอาไปพินัยกรรมมันบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมอ้วาตายแล้วหรือต้องคอยเอาไปได้ก็หมายความว่าตัวเองหงวใจรกระทั่งลมหายใจสุดท้ายไม่กล้าให้พินัยกรรมมันไม่ใช่บุญเขียนเอาไว้โกนั้นนหะกหนดเอาไว้มีกฎหมายรองรับ เขากำหนดอย่างนี้ก็ให้คนนั้นคนนี้นี่มันจะได้ไม่ทะเลาะกันเท่านั้นเองถึงคุณไม่เขียนพินัยกรรมคุณก็ไม่ได้ของคุณอยู่เดงมันก็ต้องอยู่ในโลกนี้แหละคุณจะเอาไปได้ที่ไหนเล่าไม่ต้องเขียนพินัยกรรมเขาก็เอาอยู่ดีอะถ้าคุณมีลูกเต้าเหล่าร้านดีหน่อยมันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็ไม่แย่งกันถ้าคุณมีลูกเต้าเหล่าร้านไม่ดีคุณไม่เขียพินัยกรรมไว้มันก็ทะเลาะกันหน่อยธรรมดาก็เท่านั้นเอง เพร่อพินัยกรรมไม่ใช่ตัวเสียสละกพินัยกรรมไม่ใช่ตัวที่จะให้เป็นตัวความหวงแหนสุดท้ายและเป็นเจตจํานงของคุณคุณอาจจะไปรักมูลนิธิเขียนพินัยกรรมาไว้ให้ให้ลูกมันครึ่งหนึ่งให้มูลนิธิครึ่งหนึ่งคุณไปรักมูลนิธิคุณก็ให้มูลนิธิคุณก็แบ่งจัดสันสันส่วนไม่ใหถ้ถ้าคุณไม่ให้คุณก็ไม่ได้ตามหลักกฎหมายมันให้แก่ลูกเต้าเราหลาน ไม่ไปได้แก่มูลนิธิไม่แก้ได้แกบอันอื่นที่ไม่อยู่ในแวดวงไม่งั้นไม่ได้มันเลอะกันใหญ่ก็เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณจะไปรักมูลนิธิหรือคุณไปรักคนใดคนหนึ่งคุณก็เขียนพินัยกรรมให้คนนี้อินูของเราไม่มีใครรู้ก็ช่างเราเขียนพินัยกรรมแบ่งไว้ให้เพราะว่าอินูคนนี้อัวรักอัวรักรักใดอยังเป็นๆก็เขียนแบ่งไว้ให้ตายแล้วก็ต้องแบ่งให้อินูคนนี้หน่อยก็เป็นเรื่องของคุณน่ะคุณก็เขียนไว้ทีนี้กฎหมายรองรับคุณเท่านั้นเองคุณไม่แบ่งมันก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่เขียนไว้ ผู้มีสิทธิตามกฎหมายคือลูกตาลหล่อหลา น, นเขาก็เอาไปหมดอินูก็ไม่ได้คุณก็จะต้องแบ่งให้อินูมันจำนวนนะถ้ายังไม่ตายคุณก็ยังไม่ให้อหนูอยู่นั่นแหละก็คุณให้ก่อนตายที่คุณจะได้บริจาคบ้างเสียสละม้างแต่ยังไม่ให้ก็แสดงว่าถ้าอ้วยังไม่ตายหรือจะพึ่งเอาไปสรุปใช่ไหมพินัยกรรมคือความจำนวนชนิดหนึ่งที่ไม่กล้าให้และยังไม่มีทานในตัวไม่มีจ่าค่าในตัวเท่านั้นเองมาอาตมาก็ขอยืนยันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าพินัยกรรมไม่ใช่การทาน พินิกรรมคือหลักฐานการจำนลอย่างหนึ่งเท่านั้นของมนุษย์จำนลที่ว่าอวต้องหายแล้วว่าอวตายแล้วมันจำนลอัวตายแล้วอวน ต, ต้องหายแล้วรอนนี้ก็เขียนบอกเอาไว้เท่านั้นเองว่าจะให้ใครบ้างมันเป็นหลักฐานของความจำนลที่จะต้องให้เท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของบุญเลยถึงคุณไม่เขียนเขาก็เอาจะแย่งกันไม่แย่งกันก็ตามบอกแล้วคุณจะมาฟื้นขึ้นมาเอาได้ที่ไหนหรอ ของมันกู ต, ตายไปแล้วอ่ะน ะ, ะการจ่าค้านี่ต้องให้ตั้งแต่เป็นเป็นถึงจะเป็นตัวของวิบากของตนแล้วก็ไปให้ไปทานเนี่ยซอนซ้อนสอนซ้ำ ม, มามากมายทานแล้วก็ยังต้องการะจะต้องยิ่งไปต้องการทานไปแล้วจะต้องได้มากม า, มากามามา ข, า ข, าขึ้นกวมามากกว่าเก่าได้คืนมามากก็เก่าไอ้แบบนี้มันเล่นการพานัน ใส่บาตร ท, ทัพีหนึ่สาทุกข์ก็ให้ถูกหวยที่หนึ่งขอใไปค้าขายเจ้านี้ก็ขอให้ได้มาเ น, นี่นี่เี่จะได้กําไรห้าแ0 0นีขอแหมยังไงทําบุญแล้วนี่ตักบาตรพระองค์นี้นี่นับถือมากเลย น, นี่ช่วยโดนบันดาลเลดีไม่ดีไปบอกพระพุทธเจ้านึ่งสาทุพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ช่วยลูกด้วยเถินี่ตักบาตรเจา้าอันนี้แล้วทัพีนี่ขอให้สำเร็จนี่จะต้องได้ น, นันี่ตอนนี้ต้องห0 0 0สนใท้องให้ทําการคานต้องให้ได้มานะ เพราะถ้าได้ได้ได้ห้าแสนนี่จะกำไรถึงสามแสนเชียวนะนรลมโมโต้สาอย่างงานไนแอบประเพณีมันเหมือนกระเทียมแทงสูงต่ำออกหัวออกก้อยหรือว่าออกสูงออกต่ำออกเมนูนอัตมาไม่เล่นไฮโลไม่เป็นมันมันมันยากมันกักมันต่ำมันสูงอะไรไม่รู้อะไรยังให้ข้าวถ้าพีเดียวราคาไม่กี่สตั ง, งค์เพื่อย่าไปขี่หลบเอาแต่ําเป็นท่วมหูทุ่มหัว เอาคิโลว่าไม่รู้กี่ต่อตัวกี่ต่อจิตขี้โลภตัวนั้นเกิดแล้วเป็นปฏิกิริยาเป็นกิริยาจิตเป็นจิตที่เกิดความขี้โลภอยากได้เปรียบเอาเปรียบเอารัดมาแล้วเกิดกรรมแล้วกรรมกิริยามโนกรรมก็คือกรรมสั่งสมกิเลสโลภเข็นแกได้มากๆเอายิ่งเกิดสมบูรณ์ทั้งกายวาจาด้วยอีก ยิ่งหยาบยิ่งชัดยิ่งเป็นบาปหนาบาปแท้สมบูรณ์เป็นแบบบาปสมบูรณ์แบบครบเลยแต่แม้ถ้าเกิดที่จิตนี่ก็มี ม, ม, มีมีค่าต่างกันถ้าเกิดจิตมุ่งมั่นมากก็มีค่าหนักแน่นสูงเป็นบาปจัดจ้านเหมือนกันถ้าจิตจะไม่เพ่งมากแ ล, ล้วทำเล้ยเยเลมากกว น, น้อยนแต่ทำจัดจั ด, จ, ด, จ, ดจันจ้านเอาจริงก็จังมากๆมันก็ ตัวบาปหรวตัวกรรมมันนั้นก็แน่นหนาตัวกรรมมันนั้นก็มีฤทธิ์มีแรงในบาปสูงเท่าความจริงของกิริยาจิตเท่าความจริงของกิริยาจิตอย่างนี้ไม่ใช่ทาบุญทาบุญคือชำระชำระความโลภความโกรธความหลงจะให้ก็ให้สิไม่ใช่ไปเอาเห็นว่าดีก็ให้ใช่ไหมให้ก็ให้ให้เป็นหน้าจะให้ไม่ใช่แลกให้ไม่ใช่เอาคืนมาอีก มันก็ให้ตรงไหนแล้วเอาคืนมาหรือแลกเอานี้ไปเอาหมูไปเอาไก่มานี่เรือให้เขาจะให้หมูเขาแต่แล้วคุณเอาไก่เข้ามาล่ะถ้ามันมีปริมาณค่าเท่ากันมันก็เท่ากันมันก็เจ้าดีไม่ดีคุณเอาหมูไปชิ้นเล็กแต่คุณเอาไก่เขามาทั้งตัวเอ้ยคุณเอาเปรียบเขาทีแบบนี้ให้หมูเขาไปจริงแต่หมูชิ้นเล็กนิดเดียวแต่คุณเอาไก่มาตั้งตัวหนึ่งแบบเนี้คุณเอาเปรียบเขานี่แลกกันแล้วก็เอาเปรียบเขาด้วยอย่างเนี้มันไม่ได้ไปให้อะไร ไม่ได้ให้หากหลบลบค่าแล้วคุณเอาเปรียบก็ด้วยในลักษณะพวกนี้แหละที่อาตมา น, นำมาอธิบายเพื่อให้ยืนยันให้พวกคุณคิดให้คุณเห็นให้เข้าใจชัดว่ามันลักษณะจริงเนี่ยมันจะต้องจริงว่าเราได้เป็นประโยชน์คุณค่าคนอื่นเ้าได้นะยิ่งเรามีพลังงานมีความสามารถสร้างสรรค์ได้มากๆแล้วก็ให้เขาไปได้มากๆเราก็ไม่ต้องการอะไรเลยอย่าว่าแต่ของแลกเปลี่ยนมาเป็นวัตถุแท่งก้อนหรือแลกมาเป็นยศ ชัสันเสริญเรามีอํานาจในสังคมหรือแม้แต่สรนเสริญเยินยอยอกย่องมันก็เป็นค่านะเนี่ยต้องการทํานี่เพื่อได้สรรเสริญเยินยอ ย, อยอกย่องแล้วเราก็ได้ค่าสรนเสริญเยินย อ, ยอนี่ยโอ้ชื่นใจเป็นอัตภาพชนิดหนึ่งเป็นพบเป็นชาติชนิดหนึ่งแล้วคุณก ร, ราบมาเสพสมสุขสมเป็นโลกียสสขชนิดหนึ่งนะเสพสมนะหักค่าเหมือนกันนะในปรมัตินี่หกัก แมอตาตมาเองคิดคณิตศาสตร์หักค่าของนามธรรมาพวกนี้ไม่เคยไหวพูดไปเคยพูดให้ฟังคร่าวๆนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่มันละเอียดละอามากเลยค่าของโลกีสุขในลักษณะเสพสมก็เป็นค่าที่หักเหมือนกันค่าของสันเสริญก็หักค่าของยศก็หักค่าของลาบลาบก็หักเหมือนกันมันหักลบลบนีกันเั่านั้นแหะ เพราะถ้าเราเองเสียสละโดยไม่ต้องการแล้วก็ไม่มีลักษณะพวกนี้เลยให้นี่ก็ไม่ต้องการลาบมาเป็นชิ้นเป็นอันแลกเปลี่ยนยศก็ไม่แม้เขาจะให้ยศทินิภาวะปฏินิสักะสลัดคืนซับซ้อนแม้แต่เขาจะให้ยศ ม, มาเรารับยศมาแล้วก็เอายศมาเป็นอำนาจที่จะไปล่าต่อนี่มีอยู่ในโลกใช่มเอายศมาล่าต่อนี่มีอยู่ในโลกนี่แม้เขาจะให้ยศมาเราก็ไม่เอายศไปล่าต่อเลย ไม่ไม่เอายศอย่างนี้เนะี่ยมีอํานาจจะได้ลาบมาแล้วก็ได้ยศมาก็ได้ลาบต่ออีกไม่เอาเห็นไหมดีไม่ดีนี่ยศอํานาจที่สูงนี่อย่าว่าแต่ได้ไอ้สิ่งที่มันได้ส่วนตรงนี่นะโดยที่เขาตั้งให้ตามสุจริตธรรมยังไม่พอเอายศไปเบ่งอันนั้นเอวยศไปหากินเพิ่มมันนีมม่มีใช่ไหมมีใช่ไหม ยังมีกะเรียกกระราดโอ้ยังมีอีกไม่ใช่กะเรียกระราดหรอกเป็นหลักเป็นฐานเบิกบานอีกตั้งหลายในยะอาตมาไม่เก่งเพราะชาตินี้ไม่เคยรับราชการไม่เคยไปมียศไม่เคยไปมีชั้นไม่เคยไปเอาอํานาจเหล่านี้ไปรับหลายได้เลยแม้แต่อาตมามาเป็นพระมาเป็นภิกษุจนกระทั่งเลื่อนชั้นมาเป็นสมณะแล้วถือว่าเลื่อนชั้นนะเนี่ย ก็ไม่เคยไปเอายศชั้นที่ได้เป็นพระเป็นภิกษุหรือเป็นสมณานี้มาหากินเลยไม่เคยเทศเอาสตังค์ไม่เคยไปสวดไปทําบุญบ้านนั้นไปเทศบ้านนี้ไปสวดงานบ้านโน้นงานนี้งานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานโน้นงานนี้อาตมาไม่ไปแต่งงานแต่งงานเท่านั้นในชีวิตนี้นงานโน้นงานนี้ไปช่วยเขาไปทําให้เขา ไม่เคยไปรับสินจ้างมาเลยสักก บ, บาทเนีย่ยมัมีตําแหน่งนะมียศนะอาตมาไม่เคยเอาไปหากินเลยสั ก, ก บ, บาทเดียวไม่เคยไปเอาสินจ้างรางวันอะไรจากค่าที่ไปทํางานอะไรให้เขานี่มาไม่เคยไม่เคยไปรับเอาอะไรแลกเปลี่ยนอาตมา ถ, ถือว่าอาชีพสูงสุดพ้มิชอาชีพลาเพนะาลาพังนิชกิงสุนตตาคือไม่ทํางานแล้วก็แลกลาบแลกขาแรงเอาลาบแลกลาบเอาค่า เอาแรงงานไปแรกเอาลาบมาไม่เอาเสียเหลี่ยมหมดทํางานฟรีพลมิจฉาชีพระดับที่5้าลาเพนา็นนลาพังดิชิกิงสนตาทํางานฟรีไม่ทํางานเอาตังใครนี่ลึกซึ้งในอสง์นี่เราเท่านั้นสอนมิจฉาชีพถึง5ระดับเนี่ยจนกระทั่งทํางานฟรีนี่มีอสงุ์แล้วพิสูจน์ได้แม้แต่ฆราวาสแม้เป็นภิกษุเป็นสมณนะไม่มีปัญหาเราพิสูจน์ได้ เนี่ยอยู่ในนี้เรามีแม่แต่คารวดาก็มาทำงานไม่เอาเงินแลกเปลี่ยนอะไรให้รู้จักการเสียสละการจาคะการบริจาคการทานนี่แหละเป็นคุณค่าของมนุษย์จริงๆไม่ใช่ไปเอามาแล้วเป็นคุณค่าฉันประสบผลสำเร็จเพราะว่าฉันมีรายได้สูงค่าตัวฉันแพงนั่นละบาปหรือนี่บาปหรือนี่ ยังไปตั้งราคาตัวเองหรือคนเขาสมยอมให้ราคาแพงๆโอ้ยคนนี้มันเก่งในะโอ้โหต้องจา้างคนไปในะประเมินประมูลตัวค่าเงนะินเดือนล้านหนึ่งมีนะเงินเดือนล้านสองล้านโอ้โหนัลยิาลายเป็นนี่สมมุติว่าเรามีค่าตัวถึงล้านสองล้านมีคุณค่าถึงอย่างนั้นจริงๆเลยนะถ้ามาเป็นคนอโศกแล้ว เรายิ่งไม่เอาล้านสองล้านเลยเรายิ่งจะมีค่ามากไหมเพราะเราไม่เอาเลยเยิ่งเขาให้เลยนะสมมุติเป็นค่าจริงเลยนะบอสอัตราค่าตัวเรานี่มันถึงเดือนละสองล้านจริงๆอะ น, นะแล้วเราก็ไม่เอาเลยให้ไปเลยแก่สังคมแกมนุษยชาติไม่เอาสองล้านเราก็ยิ่งได้สิเห็นไหมดูตัวได้สิตัวไ ด, ควได้คือตัวไม่เอานี่แหมมันไปรู้จะใช้ภาษาไทยว่าง่านะตัวได้คือตัวไม่เอา ฟังได้ก็ฟังนะฟังไม่ได้ก็หูหักไปก่อนกันแล้วกันตัวได้คือตัวไม่เอานี่แหละคือตัวได้ที่แท้จริงอ่ะจ่าคะตัวนี้แหละคือรับซับคือจ่าคะเข้าใจชัดขึ้นไหมรัพย์คือทานซัพย์คือให้ทรัพย์คือไม่เอาทรัพย์คือไม่ได้นี่แหละคือได้แม่ไม่รู้จะพูดยังไงวนหรือเปล่าฟังแล้วเมาไหม นี่แหะคือคนเราเกิดมาให้มันมีทรัพย์นนสสอันนี้สั่งสมทรัพย์อันนี้สิพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านี่คือทรัพย์นะทรัพย์ของมนุษย์ไม่ใช่อัตมาพูดเราเองเลมีหลักฐานพระติดดยุนยันชัดเจนแต่คนทุกวันนี้มีแต่จะเอามองเมากันโฆษณาโปรพกันดากันโอ้หาวิธีการทํายังไงว่าจะได้มากๆว่าจะได้เล่เหลี่ยมจนเขาจำนวนจะจ้างไปที่นี่ให้เท่าไหร่อะ งานนี้ให้เท่าไหร่อ่ายิ่งเดี๋ยวนี้ธุรกิจบันเทิงมันแพงนะออกงานนี้ห้าแสนหต้อตงล้านกว่าไมครอนแจ็ k s ั n ไปออกทีหนึง่งต้องสองรอยล้านอ่าไปจ้างไปคอนเสิร์ตมาทีงสองร้อยล้านครั้งหนึ่งก็เขาจ้างกันจริงๆที่โน่นเขาจ้างกันจริงๆแล้วอัตราพวกนี้ก็าหาเงินทองรายได้มาได้จริงๆอ่า ในจอดโฟแมนชกทีหนึ่งจะต้องได้ห0าร้อยล้านค่าตัวนะ่ค่าตัวใช่เดี๋ยวนี้พวกธุรกิจทัางหลายแหล่แล้วเขาว่าเข า, เขาได้เขาได้เงินมามาก ๆ, ๆนะมันหมดแล้วค่าอะไรอะไรของตัวเองก็จนกระทั่งเกินเหลือเฟอ้อเป็นหนี้ได้มามากๆเนี่ยเป็นหนี้หมดแล้ว แต่ทางโลกเขานึกว่านัน่นแหละคือประสบผลสําเร็จยิ่งใหญ่จะเอาแบบตามจะเอาอย่างตามกันเดี๋ยวนี้ด้านธุรกิจบันเทิงเนี่ยเป็นตัวที่โอ้โหมันค่าตัวมันสูงเหลือเนเห็นจะจะเลยเนี่ยไปกระโดดโลดต้นทีนึงโอ้โหเอาเยอะแยะไปเป็นดาราหนังเล่นหนังเรื่องนึ่งเอาแพงแพงพวกทํางานอะไรๆพวกนี้เนี่ยจะก่อจะสร้างอะไรบ้างนีง่ยังน้อยกว่าเลยเห็นได้เลยว่ากิเลสทุกวันนี้มันกลับตรปัดกันไปหมดแล้ว ไปเห็นสิ่งที่ไร้ค่าเป็นสิ่งที่ให้ราคาสูงเข้าไปอีกใหญ่เลยส่วนคนที่ทำสิ่งที่จริงที่เป็นเนื้อหาสาระแกศารสร้างข้าวหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเงือหลคล้าย ย, ย้อยถูกขายให้ถูกๆต้องได้น้อยๆเขาก็ยิงได้บุญเฉลาชนะก็ยิงได้บุญเพราะให้เขาถูกให้ถูกเท่าไหร่ก็ยิงได้บุญเท่านั้น พวกนี้ยังได้บาปฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพวกเต้นกินลากินพวกนักร้องนักรานี่ที่อาตมาเคยเอามาลงเอาลงเอาจากพระสูญมาลงพวกนี้ตกนรกพวกร้องลำทำเพลงพวร้องกินลำกินนี่ตกนรกอาตมาว่เาเดวพวกศิลปินมัน ม, มาร้องเพลงให้เราอ ะ, อะเอไม่ร้องก็ไม่ร้องไม่ว่าอะไรไปว่านรกก็มันนรกพระพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นนรกขุมหาสะ ปหาสะคุ้มชื่อว่าปหาสักแปลว่า Audience, System, ความรื่นเริงคุ้มรื่นเริงเนี่ยหลงรื่นเริงหลงในความรื่นเริงเนี่ยปหาสะนรกขุมปหาสะใช้ภาษาแต่ที่จริงก็คือมันหลงไหลเรื่องเหล่านี้มันงมงายมันไม่รู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นความระเริงชนิดหนึ่งซึ่งตัวเองเอาความระเริงเนี่ยนีฉันให้ความบันเทิงเรืองรมแก่ประชาชนเนี่ยคิดค่าแพงๆประชาชนให้คิดความบันเะทิงเรืองรมแล้วไปบําเรอด้วยนะมอมเมาด้วย <two> ทุกวันนี้ยิ่งความบันเทิงเริงรมในยิ่งฉาบฉวยยิ่งไร้ศิลปะไรเนื้อหารวยทุกทีเขาก็หลงว่านี่เป็นการสร้างงานเป็นการกระจายงานให้มีเงินแต่ผลที่มอมเมาวิธีการเชิงกลอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรียกว่าสังขารธรรมร้ายแรงเนี่ยมีมากกว่าที่ได้กระจายเงินเราก็ทํางานเราก็กระจายเงินเราก็พยายามจะให้คนมาทํางาน ที่ไม่ไปรีดนาทเรนเอาเงินใครทุกคนหัดจนแล้วเห็นความจนนี่เป็นความประเสริฐอย่าไปเห็นความร่ารวยเป็นความประเสริฐความจนเป็นความประเสริฐผู้ที่ยิ่งจาคะยิ่งให้มันก็ยิ่งไม่มีใครจะมาเถียงแต่คุณไ ม, มไม่มีนี่แหละคุณอยู่อย่างภาคภูมิคุณอยู่อย่างไม่ไรมิดคุณอย่าอยู่อย่างมีคนเคารพด้วยไม่มีเงินสักบาทถ้าอัตมามีเงินนี่คุณจะกราบไหมตอนนี้อัตมามีสิบล้านจะกราบไหม เลิกกราบได้แล้วอาตมาก็อาตมาก็คิดว่าพวกคุณต้องเลิกกราบกันเป็นแถบเลยเดี๋ยวนี้โพเทลากมีสิบล้านแล้วเนาะเนาฝากไว้แยกบัญชีไว้ไม่ให้คนรู้นะบัญชีละห้ารแต่เสร็จแล้วรวมแล้วมีตั้งสิบล้านหรือร้อยล้านนั่นยิ่งหลายล้านเท่าไร่คุณยิ่งหมดศรัทธาเท่านั้นใช่ไหมทาตมาไ ม, มไม่มีไม่มีไม่มีจนไม่มีแม้แต่เป็นสกส่วนของตัวเองเลยสักบาทเดียว ให้มันแน่จริงๆอย่างนี้สิคุณกล่าวคนไม่มีเงินเนี่ยมันประหลาดนะแต่คุณไปกล่าวคนที่มีเงินพันล้านร้อยล้านประหลาดอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองมันไปกล่าวกันประหลอกประหลอกไปกล่าวคนมีเงินใช่ไหมมุชาเงินไม่ประหลาดอะไรแต่คนมากล่าวคนไม่มีเงินนี่ทีมันประหลาดนะไปกล่าวอะไรวะเงินมันก็ไม่ให้สักบาทนอกจากไม่ให้เงินสักบาทแล้วจะพาคุณไปจนอีกด้วยเฮ้ย มันอะไรกันวะไปกล่าบคนที่จะพามาจนด้วยเอะมาพาให้ไม่โลโมโทสันจะให้มาออกออกออกออกออกแล้วเราก็จนลงนที่จนไม่ได้ปิดบงังสอนให้คุณมาหัดจนไม่ได้มาสอนคนที่คุณมาโลโมโทสันร่ำรวยแต่คุณยิ่งจนนี่แหละคุณยิ่งไม่จนใจคุณยิ่งไม่จนเพื่อนจนมิตรคุณยิ่งจะมีมากมีญาติธรรมมีมิตรสหายที่ไว้ใจกันที่อบอุ่นด้วยกันนะเอื้อเฟื้อเอือกูลกัน เป็นวัฒนธรรมที่ดีเป็นจารีประเพณีที่ดีอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเราพิสูจน์สิ่งนี้กันนี่เป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้านะเราพิสูจน์ความจริงอันนี้กันให้ได้นะเพราะนจ่าค่าดีเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่เป็นทรั์มนุษย์จะต้องจาาค่าให้ได้หมดเนื้อหมดตัวหมดตัวหมดตนนั่นแหละแต่ก่อนจะหมดตัวหมดตนเนะี่ยอยเพิ่งไป นี่ก็ไม่ใช่รานังก็ไม่ใช่เราเนื้อก็ไม่ใช่เราแต่ต้องพิจารณาไม่ติดตัวติดตนนั่นเนี่อย่าพึ่งเลยไอ้เงินไอ้ทองไอ้เบียไอ้บาสนเอาออกจากตัวก่อนไอ้เบียรไอ้บาสเอาออกจากตัวนะมันยังไม่ตายเราได้ยังไปเจนขอแขนข้างหนึ่จะได้ไหมเราว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนน่ะในที่ตัดขอแขนข้างเถอะ ไอ้นี่ยังไปพึ่งพูดไอ้ขันห้านี่มันระดับพระอนาคามีไม่ติดทรัพย์สริงคารไม่ติดวัตถุสมบัติไม่ติดบ้านช่องเรือนชานแล้วฐานมันอนาคามีนู่นค่อยมาพิจารณาว่า น, นี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราเออไอ้ทิ้งไอ้นั่นได้แล้วแล้วก็มีอยู่มีกินมีคนเกื้อกูลมีหมุนเวียนเป็น เ, ออเป็นปฏิฆาหกให้คนอื่นเขาเป็นทายกเลี่ยงดูได้แล้วค่อยมา วางใจตัวนี้ถึงวางกายขันวางขันท่านี่มันก็ไม่ได้ไปอ่ะคุณมาตัดเอาแขนไปข้าหนึงอัตมาปล่อยตัวตนแล้วหนักเขาก็เอามาตัดออกคอไปเลยมันไม่ต้องไปตัดรอกไม่ไม่ต้องให้ใครรอกไอ้นี่ใจในใจเนี่ยเป็นตัวนามมาทำลึกซึ่งชั้นสูงการวางขันท่าเนี่ยไม่ใช่วางไอ้นีย่ยังไม่ทันชั้นสูงอะไรหรอกนี่ยังเป็นแท่งเป็นก้อนอยู่านี่เลยเนี่ยดูทอนท่าหนวดกุ้งยังนอนสะดุ้งจนเดินไหว แล้วมีทองเท่าหัวแล้วจะทำไงละ่ะบ้านพังพอดีกลัวทองหายเพราทองมันก้อนเท่าหัวก็แค่เท่าหนวดกุ้งมันยอ น, นอนสะดุง้งยอนเดินไหวกลัวคนจะมาปล้นมาจี๋แล้วถ้ามันทองเท่าหัวเป็นไงละ่ะไม่ต้องนอนกันพอดีไม่เฉลือนไหวแล้วกระโดดอยู่ในเรือนนั่นแหละกลัวคนจะมาปล้นลองว่าก็กว่าอยู่ในบ้านนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละสละให้ได้ก่อนเถอะวัตถุสมบัติเข้าของรับสลินขันแล้ว แล้วมีปัญญาญาณมีชีวิตอยู่ให้ได้แล้วว่าเราอยู่ด้วยไม่หอบไม่ห่วงไม่กอบไม่โกยมีแต่ให้จาข้านี่มันอยู่ได้ไหมวิธีนี้อ่าระบบวิธีนี้มันมีไหมในโลกพระพุทธเจ้าสอนจริงนะมีนะมาพิสูจน์ทีว่าอยู่ได้โดยไม่ต้องไปกอบไปโกยไปหอบไปห่วงไปมีเงินมีทองไปมีทรัพย์สินคารเนี่ยอยู่ได้ไหมสังคมไหนมีมิดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมไหนมีดีแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมเพึ่อพาอาศัยกันได้ไหม เดี๋ยวนี้อสโศกชักพูดเสียงแข็งชักพูดแรงแรงนะแล้วพวกคุณจะทําให้อัตมาหน้าแตกละ่ะเข้ามาพิสูจน์แล้วแล้วก็เลยไม่เลี้ยงไม่ดูกันอยู่ไม่ได้อัตมาหน้าแตกแหลกล้านเลยนะนะนี่เราพิสูจน์ได้นะแล้วมันเกิดจากใจจริงจรินะว่าเออจากะเรียงดูเกื้อกูลนี่แหละเป็นกุศลเมตตาเออเฟื้อเผื่ อ, อแผ่กันนี่แหละกุศลไม่ใช่มาแย่งชิงมาแหม เอารัดเอาเปรียบมีเล่มีเหลี่ยมมีน่นมมีนี่กันมันจะเป็นเป็นสุขอะไรนี่วิธีการเป็นอยู่อย่างเป็นสุขนะใครไม่เชื่ออย่าเชื่อในวิธีการพระพุทธเจ้าสอนเราวันนี้เรวิธีการเป็นสุขสังคมคนอย่างเงี้ยเป็นสุขไม่เชื่อก็ไปเชื่อที่เขาบอกว่าต้องแย่งกันนั่นแหะต้องมีเงินมากมนั่นแหะเป็นสุขไปเอ้าไปหาเงินมากมโล่งมากๆแล้วคุณอยู่เป็นสุขอ่า ไปหาที่หาเยอะๆหาวิธีหาเงินเอาไว้มากกรอบโกงมากแล้วเป็นสุกเขาคุณเป็สุกเองเขากรอบก็ไปเอาอาตมาก็ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไปเถียงคุณหรอกคุณว่าเป็นสุกยางงั้นก็มีแล้วเขาก็เอาอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยหาเงินกอบโกงมาไว้เป็นของขาเยอะๆเยอ ะ, เ, ยอ ะ, เ, ยอะเขาเอ็นสุขเขาก็สุกเหมือนกันนะอาตมาก็ว่าสุกแต่อาตมาว่าสุกหลอกสุกหลงก็คุณไปเอาเงินเขามามากๆด้วยวิธีสุจริตโดยราคาที่ยุติธรรม เทียบเทียมเสมอเข้ากับคนอื่นคุณจะไปได้มากอะไรคุณต้องไปได้เปรียบเขามากๆได้เปรียบเขามากๆมีเชิงชั้นเชิงคนได้ม า, มากๆคุณจึงจะได้มามาก ๆ, ๆ, ๆคุณก็ไปเอาเปรียบเขามาก ๆ, ๆแล้วได้เปรียบเขามาก ๆ, ๆเอาเปรียบเขามากๆแบบนั้นมันช่อฉนมันโกงโกใช่ไมมันขี้โลภมากใช่ั้ยจริงคุณอาจจะฉลาดมากคุณอาจจะมีฝีมือสร้างได้มากๆ มีระบบวิธีสร้างได้มากแต่คุณไม่ได้สร้างเองหรอกนะที่จริงก็ไปอาศัยคนอื่นสร้างต่อๆไปเป็นระบบทุนนิยมอ่ะให้คนอื่นเป็นคนทําคนสร้างคุณเองก็เป็นนายคิดหัวคิดต่อไปอย่างวิธีคนเชิงคนอยู่ในสังคมคุณก็ได้ดูดมาเป็นผู้ได้เปรียบ ม, มากๆนั่นมันเป็นหนี้เป็นบาปนะพูดอย่างนี้ไม่ค่อยเข้าใจคุณไปปล้นมาจี้มานี่คุณมีฝีมือเป็นเจ้าพ่อ ไปเก็บค่าตรงไปเอามานี่ค่าคุ้มครองค่านอนค่านี้อ่าไอ้นอนนีน่อะไรคุณก็ได้มาเยอะๆๆเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้จะชัดอธิบายเงี้ยชัดคุณก็ได้แต่คุณได้มามากๆนั่นนะ่ะคุณได้โดยทุจริตไม่ยุติธรรมเอาเปรียบเอารัดกินแรงผู้อื่นเอาของผู้อื่นมาคุณได้เงินมาจริงแต่กรรมกิริยาของคุณมันเป็นอกุศลเป็นทุจริตเป็นบาป ตายไปคุณไม่ได้เงินตายไปคุณได้ทุจริตนั่นคุณได้อกุศลนั่นคุณได้บาปมันนั้นนั่นเป็นทรัพย์ไอ้เงินที่คุณได้มากี่ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยคุณไปจะไปโกงไปปล้นไปจี้หรือไปเอาเปรียบเอารัดอะไรเข้ามาก็ตามคุณได้เงินที่คุณตอนที่ยังไม่ตายนี่คุณได้มากรอบโกงกรอบโกยมาเยอะแยะจริงีหรือไปเอาเปรียบเอารัดอะไรเข้ามาก็ตามคุณได้เงินที่คุณตอนที่ยังไม่ตายนี่คุณได้มากอบโกงกรอบโกยมาเยอะแยะจริงแต่กรรมเกริยาพฤติกรรมนั้นมันเป็นการเอาเปรียบอกุศล ใช่ไหมมันไม่ใช่จาฆ่มันไม่ใช่เสียสละมันเอาเปรียบมันคี้โลกคุณได้อันนั้นตัางหาเป็นมีบากนั่นคือทรัพย์ไม่ใช่จ่าฆ่เห็นใ้ชัดนะเพราะคนในโลกไม่ได้ฟังทำแบบนี้ไม่มีใครมาชี้อย่างที่อาตมาชี้นี่หรอกเขาก็ได้มามากๆเขาก็มองมเพินเเขาก็เป็นสูงนี่ได้เงินมาโดยสุดจริตสุดจริตอะไรก็ไม่รู้เกมช่อชนอาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไง ในสังคมนี่คุณฟังอะไรกันแล้วกันเกมช่อฉนได้มาด้วยเกมช่อฉนแล้วคุณก็ได้มาคุณได้เงินจริงอัตมาไม่เถียงไ ม, ไม่ไม่ได้งงเงาที่จะไม่รู้แต่จริงๆพระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าไอ้นี่หรือคือทรัพย์ท่านบอกแล้ว่าคือทรัพย์เงินทองทรัพย์สินคารนี้คือทรัพเลยทรัพย์ของมนุษย์นะ่ะท่านบอกว่าศรัทธาศีลจาระปัญญานี่ตั้งหาคือทรัพย์ที่ทั้งหาคือทรัพ ทรัพมนุษย์นะเป็นบิบาก์ sna. เป็นกรรมคุณต้องเกิดศรัทธาก ร, รมศรัทธาวิปากศรัทธาหรือบิบากเ<ะ>ชื่อในกรรมเชื่อในวิบากเชื่อในของของตนไอ้นี่นะเป็นของของคุณกรรมสกตาอันนี้กรรมที่กระทำนีนะ่แหละเป็นของของคุณไอ้นั่นันไม่ใช่หรอกไอ้นั่นมันผลพลอยมันเป็นอีกเป็นผลพลอยได้ส่วนหนึ่งนั่นนะกรรมนั่นนะกรรมไม่เป็นกุศลก็เป็นของคุณอกุศลก็เป็นของคุณ แต่จาคะนี่เป็นกุศลนะแต่จาคะอย่างสะอาดบริสุทธิ์เท่าไรยิ่งยิ่งเป็นกุศลมากเท่านั้นอันนี้ตั้งหามันจะเป็นทรัพย์ของคุณอธิบายไปนี่คุณก็ฟังด้เหตุผลเมื่อก็เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นความเข้าใจเป็นจินตาเป็นสุตะเป็นสุดตรมยปัญญาเป็นจินตามยปัญญาคุณก็เอาไปคิดดูคุณฟังไปแล้วคุณก็เอาไปทบทวนไล่เรียงพิจารณาดูเอาไปปฏิบัติพิสูจน์เป็นภาวนามยปัญญา พิสูรเอออย่างนี้เป็นทรัพย์จริงๆนะคุณจะเชื่อโดยตนเองเข้าใจโดยตนเองแล้วเมื่อมั่นใจแล้วเราก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเกิดมามีชีวิตนี่ก็เป็นผู้ที่สร้างทซั์เชื่อเพราะเราเชื่อโดยตัวศรัทธาของเราไม่ใช่เชื่อเพราะคนมาครอบงําคนมาอธิบายเหตุผลให้คุณไล่ไม่ทันแล้วก็จำนวนแล้วก็เชื่อตามเฉยๆไม่พอ คุณต้องเอามาปฏิบัติพิสูจน์ปฏิบัติพิสูจน์จนเห็นรูปเห็นนามจนเห็นผลที่แท้จริงว่าโอ้ดีอย่างนี้เองจริงอย่างนี้เองศรัทธาเพราะเราเห็นผลของเรารูปปธรรมนามธรรมของเราเข้าใจลึกซึ้งในกรรมในวิบากในคําสอนพระเจ้าก็สอดคล้องตรงกรรมเป็นของของตนเป็นกุศลกรรมต่างๆนานาก็ชัดเจนจริงๆและเชื่ออันนี้แล้วอย่างแทงทะลุรอบแล้วเนี่ย จะมาไม่รู้จะบอกกับคุณยังไงมันมั่นมันคงมันเที่ยงมันแท้มันไม่แปรรูปนมันชัดเหลือเกินนี่เราก็ทําวันนี้ไปตลอดตายอีกกี่ตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอีกถ้ามันยังจําได้อยู่อันนี้มันก็จําได้คนที่ทำไว้อย่างแม่นมันลึกซึ้งแล้วมันจะจำได้ง่ายมันจะอยู่ในชีวิตของเราแม้แต่เราไม่ได้คิดจะจํามันก็เป็นสัญญาเจตสิกของเรา เกิดมามันมีขันธ์หมันก็จะมีเวทนาสัญญาสัญญาคือตัวธาตุต่อเนื่องไปเป็นสัน ต, ติเป็นตัวจำํำมันก็จําไดา้แม้ว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังในชาตินี้เออเราก็จําได้ไว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะสัจจะเป็นอย่างนี้อาตมาเอาสัจจามาเปิดเผยเนี่ยไม่ได้ไปได้ยินสัจจามาจากใครไม่ได้ไปเรียนไปรู้มาจากใครเอามาพูดให้คุณฟังเนี่ยอาตมาเอาของตัวเองของเก่าสัญญาเก่าบรารมีเก่า กรรมสกตาของอาตมากรรมทายาทมรดกของอาตมาอาตมาม า, มาพูดสู่ฟังซึ่งใครก็คงจะเชื่อที่คนค บ, บอาตมามาแล้วอาตมาไม่เคยไปเรียนธรรมะไม่เคยไปเรียนสัจธรรมมาจากใครเอาเขาตัวเองเออกมาจ่ายให้พวกคุณฟัง น, นั่นเป็นของที่ติดมาเป็นทรัพย์ที่อาตมามีมาเก่าอาตมาเอาตัวเองมายืนยันมาว่าเป็นทรัพย์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็น เป็น Refer เรนซเป็นหลักฐานทางอิงอันหนึ่งว่าเป็นหลักฐานทางอิงอันหนึ่งของอาตมาเองเพรอ่ออาตมาไม่รู้จะไปเอาของใครม า, าไม่ได้เป็นนักเขมวิทยานิพนจะได้ไปเทได้เอาของคนนั้นมาอา้างหน่อยมาลงานี่เป็นอ้างอิงของคนนี้คนนี้ของคนนี้คนนี้นี่ของอาตมาเองคุณคุณจะเชื่อแค่ไหนก็ตามคุณก็ต้องไปทําของตนเองขึ้นมาเป็นหลักฐานของตนเองได้เองเป็นเองมีเอง เขก็จะเชื่อของของตนของตนนั่นนะนะคราะนี้เป็นทรับ ท, ที่อาตมามายำ้ำอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจกรรมเข้าใจวีบากเข้าใจกรรมสกตาเข้าใจของของตนอ่าตราบใดที่เรายังไม่ปรนินิพานนัเราจะมีกรรมนี่เป็นของของตนยาไปเข้าใจผพลินเพิ น, พ น, พนมาอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของของตนเมื่อคุณถึงนิพานปรินิพานสมบูรณ์สุดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอารหันต์เจ้าที่ตายแล้ว มีอนุปาทิเสษสันิพานธาตุนั่นแหละหมดไม่มีอะไรเป็นของตัวของตนใช่แต่ตราบใดที่ยังไม่หมดรูปนามขันหะยังไม่ปล่อยวางสุดท้ายเป็นปรนิพานยังมีกรรมวิบาบเป็นของของตนอย่าไปพึ่งรัดตัดความมาเยอะกระทั่งหนึ่งอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของของตนนะกรรมเป็นของของตนนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลย วัตถุสมบัติเนี่ยยังเป็นของของตัวของตนจะตายอยู่แล้วยังไม่ทิ้งไม่ให้ดูเลยได้เลยในชาตินี้และยังจะบอกว่านี้ไม่ใช่ของตัวของตนหยุดสตเปิด <c oughs> ไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยนะพรานี้ใช้แต่ตรรกศาสตร์ใช้แต่ความเฉลียวฉลาดเชิงกลซับซ้อนแล้วก็พูดก็ไม่รู้เรื่องนะว่าเราต้องมาปฏิบัติธรรมตามตามของพระพุทธเจ้านี่ให้มีลําดับ ขั้นตอนตามฐานะไปแล้วเราจะค่อยได้ค่อยได้แล้วก็ค่อยเห็นจริงแล้วเราจะได้เป็นคนที่เกิดมาทั้งทีก็สะสมทรัพย์มีทรัพยบพูดเต็มก็มีเจ็ดศรัทธาศีลฮิริโอตปะสุตะสตัวนี้เป็นตัวแซมสี่ตัวหลักศีลศรัทธาศีลจาระปัญญามีฮิริโอตปะกะสุตตะซ้อนตอกตัวกลางแยกเป็นสอง สธาศีนจากคัพัญญาเอาสามอันอีกสวมกลางปุ๊บเข้าไปก็เป็นเจ็ดำง่ายๆถ้าจำฮิริโอตปาสุตะได้แล้วก็จำสี่ตัวนี้ได้สธาศีลจากคััญญาจาจอีกสองก็ได้หัวหางอย่างละสองสธาศีลจากคัพัญญานี่คือรัพย์ทั้งเจ ถ้าอยากจะรู้ฮีริกโอตปาปะกสุตตะว่ามาเป็นตัวเสริมนุนให้เราเกิดอย่างไรและเป็นตัวภาคปฏิบัติกิริยาของฮีริโอตาปะเกิดมาจากการปฏิบัติศีลจึงเกิดฮีริเกิดโอตาปะแล้วก็ต้องสร้างเสริมให้มีสุตตะหรือพระหูสุตตะให้มีความรู้ที่มากลึกซึ้งขึ้นทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, กนเก็จะฮักก่อให้เกิดเรายิ่งฮีริมากขึ้นแต่ก่อนนี้อายระดับนี้ แอ้ายต่อบาปต่อสิ่งไม่ดีไม่งามปฏิบัติสูงขึ้นภูมิสูงขึ้นก็จะอายสูงขึ้นสิ่งที่ละเอียดละเอียดสูงขึ้นก็อายเป็นนา ม, มาทำอะไรลึกซึ้งสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแท้จริงจิตเราจะละอายต่อสิ่งเหล่านี้ว่าเอออันนี้เราควรละควรลดควรเลิกมันจะเกิดจริงซับซ้อนสูงเรื่อยๆจึงจะเกิดจาฆ่ได้หมดตัวหมดตนหมดแม้กระทั่งนา ม, มาทำไม่มีอะไรเหลืออย่าว่าแต่รูปธรรมอย่าว่าแต่พบแต่ชาติเลย ถึงจะซับซ้อนได้อย่างนั้ น, นอ้าวแล้วอาตมาได้เทศมาจนหมดเวลาเลยเวลาไปสองสานาทีแล้วก็ขอเอวัง สุขสันต ครา